สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เรากลับมาอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศ์ัตย์พระธรรมหนึ่งพงศ์ัตว์ในเช้าวันนี้อยู่ในบทที่8บทที่8ครับข้อที่54ส่จนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่66ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อโซโลมอนทรงอธิษฐานทูลวิงวอต่อองค์พระบุญเจ้าดังนี้แล้ว ก็ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงคุกเข่าและชูพระหัตถ์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์พระองค์ประทับยืนและโวยพรประชากรอิสาราเอลทั้งปวงด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานการหยุดพักแก่อิสาราเอลประชากรของโปรงตามที่ทรงสัญญาไว้คำมั่นสัญญาล้าเลิศซึ่ง ประธานผ่านทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่มีศักคำเดียวที่ล้มเหลวไปขอให้พระยาเวพระเจ้าของเราสถิตกับเราเหมือนที่สถิตกับเหล่าบรรพบรุษของเราขออย่าได้ทรงทอดทิ้งหรือละจากเราเลยขอทรงหันใจของเรามาหาพระองค์ให้ดําเนินในทางทั้งปวงของพระองค์และปฏิบัติตามคำบัญชา กฎหมายและกฎระเบียบที่ทรงให้ไว้แก่เหล่าบรรพบุรุษของเราและขอให้คำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้านี้อยู่ใกล้พระยาเวพระเจ้าของเราเสมอไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อพระองค์จะทรงช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระองค์และอิสราเอลประชากรของพระองค์ตามความจาเป็นในแต่และวันของเราเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้ทราบว่า พระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยแต่จิตใจของท่านจะต้องยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระยาเวพระเจ้าของเราที่จะดำเนินชีวิตตามกฎหมายและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ดังเช่นขณะนี้จากนั้นกษัตริย์และอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ถวายเครื่องบูชาต่อหน้าองค์พระ บ, บุพเเจ้า โซมอนทรงถวายเครื่องสันติบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคือวัวผู้สอง0มื่นสองพันตัวแกะและแพะ10000ตัวเป็นอันว่ากษัตริย์และปวงชนอิสราเอลได้ถวายพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นกษัตริย์ทรงประกอบพิ ธ, ธีชำระส่วนกลางของลานหน้าพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถวายเครื่องผาบูชา ธัญญบูชาและไขมันของเครื่องสันติบูชาที่นั่นเพราะแท่นทองสำริดต่อหน้าองค์พระบุญเจ้านั้นเล็กเกินไปสําหรับเครื่องบูชาธัญญบูชาและไขมันของเครื่องสันติบูชาโซโลมอนทรงร่วมพิธีฉลองกับประชาชนอิสราเอลทั้งหมดที่นั่นซึ่งเป็นการชุมนุมประชากรครั้งใหญ่พุ่งพลจากเลโบฮามัทจอดตลำน้ําแห่งอียิปต์พากันมาเฉลิมฉลองต่อหน้าองค์พระบุญเจ้าพระเจ้าของเราตลอดเจวัน แล้วฉลองต่ออีก7วันรวมเป็นวันในวันรุ่งขึ้นโซมอนทรงอำลาเหล่าประชากรพวกเขากล่าวถวายพระพรแล้วกลับบ้านด้วยจิตใจเบิกบานเย็นดีในสิ่งดีงามทั้งปวงซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําเพื่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์และอิสราเอลประชากรของพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นว่าคาอธิษฐานและการถวายพระวิหารของขาพาโซมอนนั้นมีความหมายเป็นอย่างยิ่งครับ และมีความหมายยิ่งใหญ่ด้วยหมายความว่ากษัตริย์โซโลมอนนั้นหลังจากที่ได้อธิษฐานคำอธิษฐานที่ยาวที่สุดในพระกัมภีแล้วท่านก็ลุกขึ้นและท่านก็ชูพระหัตถ์ขึ้นแล้วก็กล่าวอวยพรคำกล่าวอวยพร น, นี้ก็เป็นคำอธิษฐานสรุปครับเป็นการอธิษฐานเพื่อประชาชนและสรรเสริญพระเจ้าในคำอธิบายนะครับได้อธิบายว่าเราสามารถสรุป คำอธิษฐานของโซมอนออกมาได้เป็นคําขอ5ประการง่ายๆด้วยกันครับคําขอประการแรกก็คือขอการสถิตยอยู่ของพระเจ้าในข้อ57ครับพระเจนะของพระเจ้ากล่าวว่าโซมอนอธิษฐานอย่างนี้ครับขอให้พระยาเวพระเจ้าของเราสถิตกับเราเหมือนกับที่สถิตกับเราบรรพบุรุษของเราอย่าได้ทรงทอดทิ้งหรือละจากเราเลยพี่น้องครับนั่นคือคําขอคําแรก ในสมัยนี้ไม่เปรียบเทียบกับคําอธิษฐานของเราคําขอการสถิตของพระเจ้านั้นก็เหมือนกับการขอการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราขอพระเจ้าที่จะสถิตยอยู่กับเราก็เท่ากับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นได้ดําเนินพระราชกิจของพระองคอ์คือการเต็มล้นหรือการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณในชีวิตของผู้เชื่อนะครับนี่เกีนประการแรกครับ ขอให้ชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณเต็มไปด้วยการทรงสถิตยอยู่ของพระวิญญาณเต็มไปด้วยการเปี่ยมล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับนั่นเป็นประการแรกประการที่2ครับปรากฏอยู่ในข้อ58 58โบหชนะของพระเจ้าบอกว่าขอทรงหันใจของเรามหาพระองค์ให้ดําเนินในทางทั้งปวงของพระองค์ปฏิบัติตามคําบัญชากฎหมายและกฎระเบียบที่ทรงให้ไว้แก่เหล่าบรรพุทธของเราข้าอ2บอกว่า สามารถสรุปคำขอได้ดังนี้คือขอความปรารถนาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกเรื่องพี่น้องครับคำว่า desire หรือคำว่าปรารถนานั้นเป็นแรงขับเคลื่อนภายในใจครับเป็นความต้องการอย่างลึกซึ้งที่จะอยากจะทำความปรารถนาและความอยากที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะครับใน พระวจนะของพระเจ้าในธรรมบัญญัติของพระองค์นี่แหละครับเป็นความปรารถนาที่เกิดต่อเนื่องจากการเปี่ยมล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับปรารถนาอยากจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าอยากจะเรียนพระคัมภีร์อยากจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นอยากที่จะให้พระประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นที่ประจักษ์แจ้งในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ดาเนินการเติมเต็มการเจิมในชีวิตของใครคนคนนั้น ก็ควรจะมีความปรารถนาที่จะเล่าเรียนพระวจนะของพระเจ้ามีความปรารถนาที่อยากจะรู้จักกับพระเจ้าอยากจะรู้พระวจนะอยากจะรู้พระคําของพระองค์มากยิ่งขึ้นประการที่3ครับเป็นคําอธิษฐานในขอ้อที่59ขอให้คําอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อหน้าองค์พระเจ้านี้อยู่ใกล้พระยาเวพระเจ้าของเราเสมอไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อ พระองค์จะช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระองค์ตามความจำเป็นในแต่ละวันของเราพี่น้องครับถ้าเปรียบเทียบคำอธิษฐานนี้ซึ่งเป็นคำอธิษฐานทูลขอประการที่สามก็คือขอความช่วยเหลือที่จำเป็นในแต่ละวันนั่นคือขอพระทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่เราทั้งหลายในวันนี้พี่น้องครับการที่พระเจ้าจะดูแลความเป็นอยู่ของเราความจาเป็นของเรา อย่างเพียงพอเสมอพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเยาวายิเรครับพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมของทุกอย่างเพียงพอและพร้อมสําหรับเราเสมอขอพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยให้เราจะมีความมั่นใจและมีความเชื่อคำมริษฐานวิงวอนข้อนี้เป็นคํามริทฐานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าการทรงจัดเตรียมของพระองค์ครับคําขอที่4ครับอยู่ในข้อที่58พระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่า ขอหันใจนะครับหันใจที่จะดําเนินในทางทั้งปวงของพระเจ้าปฏิบัติตามคําบัญชากฎหมายกฎระเบียบพี่น้องครับความปราัชนาและความสามารถที่จะเชื่อฟังกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะครับสําคัญมากครับโซโลมอนเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าพระวจนะนั้นสําคัญขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความปรัถนาและความสามารถในที่นี้บอกว่าความสามารถความสามารถที่จะทํากับ ความสามารถที่ดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังนะครับความปรารถนาที่จะทำตามพระประสงค์นั่นเป็นเรื่องหนึ่งความปรารถนาที่จะทำได้นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โซมอนนั้นให้ความสำคัญมากครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอพระเจ้าช่วยเราในสิ่งที่เราเชื่อเราศรัทธาเราจะต้องปฏิบัติออกมาให้ได้สิ่งที่เราพูดเราสอนนะครับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราในขณะที่เรา ได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นของพระเจ้านั้นขอพระเจ้ า, จาช่วยเราเสริมกําลังเรี่ยวแรงเราในการที่เราจะทําออกมาให้ได้พี่น้องครับไม่มีใครทําได้ทุกอย่างตามที่เขาสอนแต่อย่างน้อยๆขอให้มีความปรารถนาแล้วชีวิตจะรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับประการที่5ครับเป็นคําทูลขอที่อยู่ในข้อที่60สิบโซโลมอนขอให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายตัวไปทั่วโลกข้อส0บอกว่าเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้ทราบว่าพระยาเว ทรงเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยพี่น้องครับนั่นคือการประกาศพระกิติคุณเป็นการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้อนาจาของพระเจ้าขยายไปทั่วโลกครับคำขอนี้เป็นคำขอที่อยู่ในพระมหาบัญชาเป็นคำขอที่เป็นพระประสงค์ของพระเยซูคริสต์เป็นคำขอที่อยู่ในน้ำพระทยัยและความปรารถนาของพระองค์ ขอให้ความปรัชนาของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของพวกเรานั่นคือคำอธิษฐาน5ประการครับผมอยากจะสรุปง่ายๆในเช้าวันนี้โซมอนได้เป็นตัวอย่างชีวิตของเราในการอธิษฐานครับประการแรกคือขอการสถิตของพระเจ้าประการที่ 2. คือขอความปรัชนาที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกเรื่องประการที่สคือขอความจาเป็นขอความช่วยเหลือจาเป็นในแต่ละวันประการที่4ี่ครับ ขอความปรารถนาและความสามารถที่จะเชื่อฟังทําตามกฎหมายบัญชาของพระเจ้าและประการสุดท้ายคือขอให้แผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปมาตั้งอยู่ในโลกนี้ครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานอย่างนี้เช่นเดียวกันและพี่น้องครับจงมีความเชื่อเถิดครับว่าเมื่อเราอาธิษฐานตามน้ำารไทยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์น้ำารไทยของพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์นั้นจะสําเร็จในชีวิตของเรา อาเมน